้อนถอยหลังไปนะสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ส่งจำพรรษาแรกกับปัญจวัคคีย์เราก็คงทราบดีอยู่ว่าเมื่อเข้าพรรษาแล้วนะก็มีปัญจวัคคีย์สีท่านที่เหลือได้บรรลุสดาบันเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่ท่านพัทธิยะปปะพัทธิยะมหานามะแล้วก็อสชัชชิเรียงลำดับนะวันต่อวันเลยแล้วก็วันที่ห้าเมื่อวันที่ห้าของการเข้าบันสารนะทั้งห้าท่านก็เดินไปรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นไม่นานนะ ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าในเมืองพารณสีเนี่ยมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อยัส ก, กุ ล, ลบุตรผู้ถึงฐานะนความร่ำรวยแล้วก็มหาศาลทีเดียวได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพราะพ่อแม่นะดูแลอย่างดี มีภาษาสามหลังคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเลยคล้ายๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เรียกว่าไม่รู้จักความทุกข์กายแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนั้นเนี่ยมันมาถึงขีดสุดในคืนวันหนึ่ง ตัวเองตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นหญิงรับใช้ที่ฟอนลำเล่นดนตรีหญิงเหล่านั้นก็นอนละเกะระกะเครื่องดนตรีก็พาดกายตามเนื้อตัวบ้างบางคนก็ น้ำลายไหลบางคนก็ผ้าผ่อนหลุดลุยอ่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเลยสำหรับยศกุลบุตรเนี่ยสิ่งที่เห็นมันคล้ายกับป่าช้านะคนนอนไก่กองกันไม่มีสติสัมปฤัญดี ในรูปลักษณะการต่างๆที่ไม่น่าดูไม่น่ามองก็เกิดความสลดนะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาพอเบื่อหน่ายขึ้นมาทำางไงานก็เดินออกจากบ้านนะจากประสาทแล้วก็เดินแบบไม่มีชิดไม่มีทางนะเป็นความเบือ่อเป็นความหนายสุดๆเดินไปเรื่อยๆจนทางเดินออกจากเมือง แล้วก็เดินตรงไปที่ป่าอิศปตนเมรุกขไทยวันอาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่นเป็นป่าที่ร่มรื่นมีกวางอาจจะเคยไปตอนเด็กเด็กเดินไปก็บ่นไปที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ก็คื อ, อปร า, าสาทหรือว่าที่พัก ที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินไปไ ด, ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะแสวงหาความสงบอยากจะแสวงหาความพ้นทุกข์นะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าไอ้ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบก็ต้องไปหาที่นั่นที่นั่นคืออะไรก็ไม่รู้แต่เดินไปเรื่อยจนถึงเช้าเลยนะเพราะว่าจาก พราณสีไปถึงป่ายสิบปฐนามก็เป็นสิบกิโลแล้วเดินนานขนาดนั้นก็ยังไม่หายเบื่อนะก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องหนอพระเจ้าก็ตอนนั้นเช้ามือก็เสด็จจงกรมอยู่นะเห็นยาส ก, กุลบุตรก็เลยพูดขึ้นมาว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ยะสกุลระบุตรก็แปลกใจก็เข้าไปสนทนากับพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมที่เรียกว่าอนุปปิกถาที่แรกก็พูดถึงว่าทานและศีลนั้นมันดีอย่างไรบ้างนำทำให้เกิดสุขอย่างไรพาไปสวรรค์ได้ทำให้เกิดความพรั่งพร้อมในวัตถุใน ทรัพสมบัติหรือว่าในความสุขสบายในว่าในโลกมนุษย์หรือว่าบนสวรรค์แต่หลังจากนั้นก็ชี้เห็นว่าแม้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้พึงให้ความพึงพอใจกับเราแต่ก็ยังเจอไปได้วยโทษทรงชี้เห็นโทษของกามนะไม่ว่ากามหยาบหรือกามละเอียดนะก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่เจริญยั่งยืนแล้วก็เป็นที่พึ่งพาใสายไม่ได้แล้วทีนี้ก็ทรงเชื่อเห็นโทษของเห็นประโยชน์การออกจากกามออกจากกามคือออกจากกามมาสุขซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกอารมณ์ของยัสกุลบุตรเพราะว่าได้คุ้นเคยได้เสพกับกามมาเต็มที่แล้วนะ ก็เห็นว่ามันเป็นโทษไม่ได้ทําให้เกิดความสุขเต็มอิ่มอย่างแท้จริงครับพอผู้เจ้าชี้ ถ, ถึงเรื่องของการออกจากกามก็คือเนคขมะเนคขมะคือความปลอดโปร่งจากกามหรือว่าความไม่ยึดติดในกามไม่มีสิ่งเรา ย, าอย่อโยนให้เกิดความยึดติดต่อไปก็สนใจก็ตามมาฟังตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้เจ้าได้ตรัสถึงเรื่องอริยสัจสี่ ทีนี้แหละนะยักกุลระบุตก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระสวสดาบัลเลยเป็นการบรรลุ ธ, ธรรมเพราะเกิดปัญญาว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเข้าใจที่นำไปสู่ปัญญาในเรื่องของอนัตตานะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแสดงว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้ของมันเอง ก็ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นก็คือเป็นอนัตตานั่นเองแล้วไม่นานต่อมายัสกุลระบุต ร, รก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพ่อนี่มาตามมาตามแล้วก็เห็นรองเท้ามาตามที่ปลาสิบปัตนัมแล้วก็ไทยกวนก็เห็นรองเท้ายัสกุสกลระบุตรแต่ว่ามองไม่เห็นตัวนะทั้งที่อยู่ใกล้นั่นเอง พระพุทธเจ้าบอกให้นั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวก็จะได้เห็นแกก็นั่งแล้วก็ได้ฟังธรรมก็เป็นธรรมะบทเดียวกันนะพูดถึงทานศรรีลสวรรค์นะสวรรค์ก็คืออ น, นิสงค์ของทานและศรรีลแล้วก็พูดถึงโทษของกามหรือว่าโทษของสวรรค์ด้วยก็ได้แล้วก็ส่วนทั้งอ น, นิสงค์การออกจากทุกข์ออกจากการรม พูดซ้ำนะเหมือนกับที่ได้ตรัสสอนยสกุลบุตรก็ทําให้พ่อนี้ยได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระสวสดาบัณส่วนยสกุลบุตรซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆแต่พ่อมองไม่เห็นได้ฟังซ้ำก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหรอันต์นับเป็นคารวะคนแรกคฤรุหัดคนแรกที่บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์โดยไม่ได้ออกบวชก่อน ปัญจว่าคีนี่ยังถือว่าได้บวชนะยังได้บําเพ็ญเรียกว่าพรหมจันทร์ในความหมายที่เป็นการที่ไม่มีคู่ครอง <c oughs> แต่ว่าญาติสกุลบุตรนี่พิเศษนะเพราะว่ายังไม่ได้บวชแต่ก็บรรลุฐ <c oughs> ามเป็นพระอรหันต์ได้เป็นคารวะก็บรรลุรานเป็นพระอรหันต์ได้นะ <c oughs> แล้วก็มีเยอะมาก รวมทัดดงการุธายีอัมมาดนะซึ่งเป็นเป็นอัมมาตของพระเจ้าสุทธทนะที่มาตามพระพุทธเจ้าให้กับกลุงกบิรพัทนะมีกรณีหนึ่งมีอีกลายนึงที่ที่แปลกมือก็เลตรงข้ามกับตรงข้ามกับยสกลบุตรเลยยัสกรบุตรนี่ร่ำรวยมาก รนะวยพอๆกับพระราชาอย่างพระเจ้าสุทธโทธนะเลยเพราะว่ามีประสาทสามหลังเหมือนกันรวยจนเบื่อนะพอรู้สึกพอรู้ว่ามันไม่ใช่ทางออกของชีวิตไม่ทำให้พ้นทุกได้เลยอีกรายหนึ่งก็จนมากนะชื่อจิตหัตถะเป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงวัววันหนึ่งก็เผลอเข้ามาในวัด พระท่านก็เห็นว่าอ่าอทางจิตทหารนี่จะหิวก็เลยเอาอาหารมาให้จิตทหารเห็นอาหารแล้วก็แปลกใจถามว่าเนี่ยเป็นพระนี่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เชิหรือก็ได้คำตอบว่าใช่เนี่ยคนศรัทธาก็นำมาถวายจิตทหารนี่ยากจน พอเห็นว่าถ้าเป็ น, ปนพระนี่มีกินอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าคงไม่ขาดอนะแต่ก็คงไม่ได้พร้อมพรั่งอะไรก็เกิดสนใจอยากบวชนะพรารู้สึกว่าชีวิตคารวะชีวิตการธรรมากินของตัวมันลําบากนะมาบวชเพราะว่าอยากสบายนะอยากกินอิ่มนอนอุ่น พอมาบวชแล้วนะแม้ว่าจะได้กินอิ่มนอนอุดก็ตามแต่ปรากฏว่าอุดหนัดกับข้อวินยนะัยจะทำตามใจก็ไม่ได้เพราะว่าพระนี่มีข้อกำหนดเนะที่ยววินยัยเป็นสิกขาบทหลายข้อจะเที่ยวจะเล่นนะจะพูดจะวิ่งเต้นอะไรก็ไม่สะดวก ก็เราอึดหนักในะสุดก็เลยขอลาศิกขาเพราะนึกถึงชีวิตที่มันมีเสรีภาพนะตอนเป็นขลุหัดมากกว่าแล้วก็นึกถึงเมียด้วยมีเมียแล้วเป็นพานิชไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงไม่ได้ศึกไปไปอยู่กับเมียอยู่กับบ้านอยู่พักใหญนะ่ก็รู้สึกว่ามันลําบากนะ การทำมาหากินฝืดเครืองนึกถึงชีวิตที่สบายในวัดนะไม่ต้องทำมาหากินนะมีกินไม่ขาดแคลนก็เลยตัดสินใจบวชใหม่บวชเสร็จนะอยู่ไปสักพักนะ อ, นอึดอัดอีกกับวินัยของพระนึกถึงเมียก็เลยศึกทำอย่างนี้อยู่หกครั้งนะ บวชศึกบวชศึกบวชศึกหกครั้งจนระทั่งคนนี้เขาหน่ายเขาอะอาเลยว่าไม่ได้มีศรัทธาเลยกับพระศาสนาเลยเป็นคนใจคอโลเล่บวชครั้งที่หกศึกครั้งที่หกนี่ก็กลับไปอยู่กับเมียแล้ววันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมานะ ก็เห็นเมียนอนดูไม่สวยไม่งามบรรยากาศคล้ายๆกับยศกุลบุตรเลยแต่ว่าไม่ได้บรรยากาศไม่เหมือนกับป่าชาขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันการคองเรือนี่มันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยก็เลยตัดสินใจครั้งนะว่าขอบวช ด, ดีกว่าระหว่างที่เดินไปนะ เดินไปหาเดินไปที่วัดเพื่อจะขอบวชอีกครั้งหนึ่งก็นึกถึงชีวิตของคาราวานีกถึงภาพที่ได้เห็นคือภาพของเมียที่นอนแบบไม่มีสติซัมปอรุ ด, ดีน้ำลายไหลอะไรต่างๆเนี่ยก็เดินไปก็บ่นขึ้นมาในใจนี่คือมันในใจมันทุกข์ทุกข์เหลือเกินมันน่าเบื่อเหลือเกินเดินไปก็บ่นไปนะ เดินไปก็เกิดโปรงสังเวชไปน่าเบื่อเป็นทุกข์เหลือเกินพระ บ, บรุธรรมเป็นพระสวสดาบันกลางถนนเลยนะไม่มีใครสอนนะแต่ว่าความทุกข์มันสอนความทุกข์มันสอนให้เห็นว่าเนี่ยชีวิตคารวาหรือชีวิตของช้างโลนี่มันมันเป็นทุกข์มาก ตอนที่ไปบวชนี่ก็ไม่มีใครอยากให้อยากบวชแล้วนะไม่มีใครอยากบวชให้นะแต่ว่าตอนหลังก็ยอมแล้วก็บวชให้นะแต่ว่าตอนหลังก็ยอมแล้วก็บวชให้สุดท้ายจิตตหัตต์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตนะ์เรื่องของพระยศเรื่องของยศกุลบุตรกับจิตตหัตถะนี่ก็หมอ น, นึงอันนึก็คือคนที่มาจากคนละขั้วคนหนึ่งรวยไหมค น, นก็จนเหลือเกิน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือน ก, นกันคือความเบื่อความเบื่อในชีวิตคฤหัสถ์ความเบื่อกับชีวิตของการมีคู่เบื่อของการที่ได้เบื่อในการมาสุกนะเมื่อเบื่อแล้วเนี่ยนะก็ถูกความทุกข์นั่นแหละผลักให้เข้าหาธรรมะให้เข้าหาพระพุทธเจ้าให้เข้าห า, าวัด คนเหล่านี้เนี่ยนะต้งสองท่านเนี่ยนะถ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีความเบื่อหน่ายก็คงไม่เข้าหาวัดแล้วก็คงจะไม่ได้พบพระธรรมถ้าหากว่ายังมีความพอใจนะมีความเพลิดเพลินในชีวิตก็คงจะยังอยู่กับ เพศเขาฤทหัดต่อไปหรือก็ยังสนุกกับโลกอีกต่อไปแต่ความเบื่อนั่นแหล ะ, ะที่ทำให้เข้าหาวัดเข้าหาพระแล้วก็ไปพบธรรมะมันไม่ใช่แค่ความเบื่อเดียวนะบางทีความเศร้าเสียใจความเศร้าเสียใจพ่อสูญเสียคนรักก็ผลักให้หลายคนเนีเข้าหาธรรมะเหมือนกัน ในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของคนแบบนี้เยอะนะบางทีก็มาพบพระเจ้าโดยบังเอิญหรือว่ามีคนแนะนํามาอย่างนางกีสาโคตมีที่เสียลูกแต่นางกีสาโคตมียังโชคดีที่เสียแค่คนเดียวนะนางปตัจลานี่เสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่ในเวลาติดติกันจนกระทั่งเป็นบ้าไปเลยเกือบจะเป็นบ้าหรือว่าเสียสติ ก็ได้บังเอิญมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าพอได้แสดงธรรมในเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเรื่องของความทุกข์ที่เกิดกับผู้คนที่ยังเวทว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบางคนไม่ได้เสียลูกนะแค่เสียคนรักซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแต่ว่าติดใจต้องใจ อย่างสันตติอัมมาตนะเป็นอัมมาตของพระเจ้าพิมพิสารทำความดีความชอบจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารยกยกราชสมบัติหรือบัลลังให้เจดวันจะมีแบบนี้เลยนะให้เป็นกษัตริย์อยู่เจดวันกษัตริย์โชคราวสันตติอัมมาก็ได้ทีก็เลยส่งสนานเต็มที่ถือโอกาสที่จะได้เสพสุข ทั้งสุราทั้งทั้งดนตรีทั้งอาหารที่อร่ อ, รอยมีการเลี้ยงฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ปล่อยให้อกกาทองหลุดมือไปเลยมีผู้หญิงมาฟ้อนรำฟ้อนรำตลอดเวลากินไปด้วยเสพไปด้วยมีดนตรีขับกล่อมไปด้วยไล่รำให้ดูด้วยเรียกว่าเสพทั้งตาหูวจมูกล่างกาย จนน้าวสุดท้ายนี้ยิ่งเวลาใกล้จหมก็ยิ่งเร่งเร่งมือใหญ่นะไม่ยอมปล่อยโอกาสทองหลุดมือเสพเต็มที่ดูทั้งทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งทั้งินทั้งกายให้หญิงสาวมาไลา่ล้ำไม่หยุดเลยจนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสันติธรรมาชอบมากติดตาต้องใจแกไล่ล้ำจนหมดจนหัวใจวายนะ เหนื่อยมากตายต่อหน้าต่อตาเลยพอรู้ว่าคนรักของตัวเองตายนี่สันติเย ม, มานีสางเมาเลยหายเมาเลยนะเกิดความเสียใจแทนที่ความเศร้ามันท่วมทนใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเคยพบกันด้วยความบังเอิญ ก็เลยเดินไปหาพระเจ้านะที่เชตวันไม่ใช่ที่อนอกเมืองเวลุวันพระพเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงแล้วก็เรื่องขันธ์ห้าที่มันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นที่ยึดถืออะไรไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทัานจะไปมาฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต ตอนที่เมื่อสักครู่เมื่อไม่นานนี้ยังยังเมาอยู่เลยนะ น, นี้ก็เป็นเป็นกรณีที่แปลกแต่ก็เหมือนกันนะอย่างที่พูดมาคือว่าความทุกข์มันผลักให้เข้าหาธรรมะไอตอนที่ถูกผลักก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะแต่ว่าเข้าถูกช่องเข้าถูกทางก็เจอธรรมะแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะ จนถึงสมัยนี้นะก็ยังมีคนมากมายนะที่ถูกความทุกข์ผลักให้ไปพบธรรมะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าความทุกข์มันจะผลักให้คนก็าหาธรรมะได้เสมอไปนะโดยเพราะในยุค น, นี้เนี่ยมันมีทางเลือกมากมายหลายคนพอเจอความทุกข์แล้วไม่ได้เข้าหาธรรมะไปหาอย่างอื่นหรือว่าถูกผลักเข้าไปทางอื่นแทนเช่นเหล้ายาเสพติด แล้วเดี๋ยวนี้อบายามุกมันก็มีมากมายเหลือเกินเฉพาะยาเสพติดอย่างเดียวก็มีไม่รู้กี่อย่างนะทั้งยาอีทั้งโ ค, โคเคนทั้งฝิ่นทั้งเฮรโรอีนยาบ้านะอบายามุกคือการพนันก็มีมากมายหลายแบบนะเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะถ้าเด็กๆ ก, ก, ก็อาจจะคุกกี้รันถ้าโตหน่อยก็ มีเล่นพนันบอลมวยตู้สารพัดยังไม่ต้องพูดถึงความสนุกสนานเรื่องอย่างอื่นผับบาคาร่าเก็ตมอในแง่นี้เนี่ยคนสมัยนี้ก็เสียเปรียบคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยพอถูกความทุกข์ผลักเนี่ยมันมีทางเลือกทางออกไม่กี่ทาง นะถ้าไม่ไปเข้ า, ขาหาอบายมุกซึ่งมีอยู่น้อยนะก็เข้าหาธรรมช่องทางสู่ธรรมะนี่มันเปิดกว้างนะถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะแต่ว่าช่องทางสมัยนี้เนี่ยมันมีช่องทางมากมายเป็นร้อยแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตก็เป็นเรื่องของอบายมุกเป็นเรื่องของการชักนำให้คนทําความชั่ว คือธรรมชาติบงอบายมุกก็จะเป็นแก๊งแก๊งโสมผู้หญิงแก๊งก่อความวุ่นวายคนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็ไปเข้าแก๊งพวกนี้ก็มีเยอะยิ่งมีเหล้ามีอะไรต่างๆเข้ามาผสมรงด้วยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไอ้ส่วนช่องทางที่จะเข้าสู่ธรรมะเนี่ยมันก็ค่อยเล็กลงเล็กลงเหมือนสมัยก่อนนะที่ช่องทางเข้าสู่ธรรมะนี่มันยังกว้างอยู่ อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่มันก็เปิดพอให้เห็นในส่วนช่องทางอื่นที่เป็นช่องทางที่เป็นอบายหรือความสวงก็มีแต่ไม่เยอะเท่าสมัยนี้ท่านะคนสมัยก่อนเนี่ยพอเจอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ก็เลยนะเข้าหาธรรมได้ไม่น้อยนะแม้กระทั่งสมัยคนเมื่อสักสิบยี่สิบปีหรือสาสิบปีก่อนนี่มีหลายคนทีเดียวนะที่ เกิดความผิดหวังในชีวิตควรวา่าหรือว่าเกิดความผิดหวังในใ น, ในความสุขที่เคยมีแล้วพบมันไม่ใช่คำตอบเวลาที่สับสนก็อาจจะมีก็มีบางช่วงบางแบบที่นึกถึงตอนเป็นเด็กได้ตามพ่อแม่ได้ตามตาตามยายเข้าวัดแลวว้วพบกับความสงบหรือบางคนก็ได้มีโอกาสปวดเนรปวดพระเสียเอง แม้จะบวชเพียงแค่พรรษาเดียวแต่ความสงบที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ประทับใจอาตมาเองเนี่ยนะตอนที่บวชเนนบวชให้ญาติที่เสียชีวิตบวชแค่สามวันนะแล้วก็อยู่วัดในกรุงเทพวัดวรจันยาวาสก็อยู่แถวเนี่ยแถวถนนตกแต่แค่สามวันนี่มันก็สร้างความประทับใจ ที่ไม่เคยพบในสมัยตอนเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ได้เคยบวชนะหรือได้เคยสัมผัสกับความสงบในวัดเนี่ยในยามที่มีความทุกข์ในยามที่สับสนในยามที่ไร้ทางออกนะก็นึกถึงชั่วขณะที่ประทับใจกินใจเหล่านั้นแล้วก็ทําให้อ่าเลือกที่จะเดินเข้าสู่ ทางนั้นอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งแน่นอนถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่ไปแต่ว่าเนื่องจากทุกข์จนกระทั่งไม่มีแทบไม่มีหนทางเหลือแล้วก็เลยเดินไปทางนั้นบางคนที่อยากจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าพอนึกถึงแวบหนึ่งของช่วงชีวิตสั้นๆนะที่เคยมีความสุขความสงบก็เดินไปทางนั้นกลับไปทางนั้น แล้วก็สามารถจะพบกับชีวิตที่สงบสุขได้บางคนก็ถึงกับบวชไปเลยแต่หลายคนก็ไม่บวชแม้ไม่บวชแต่ว่าก็ยังปฏิบัติธรรมบางคนเคยเป็นเด็กวัดนะตอนเป็นเด็กวัดอาจจะต้องแย่งชิงอาหารกับเด็กวัดด้วยกันแต่ว่ามันมีความสุขลึกๆ มีความสงบได้เห็นจริยาวัดของหลวงพอ่อหลวงตาที่ทำให้เกิดความสงบได้พอโตขึ้นชีวิตเนี่ยมันเราเห่เร่ร่อนมีความทุกข์มากไม่เจอไม่หาทางออกชีวิตไม่เจออยากจะรวยก็เห็นว่าความรวยไม่ใช่คำตอบอยากจะไปทำอย่างอื่นเป็นนักการเมืองต่างก็ไม่ใช่พอนึกถึงความสงบที่เคยได้รับจากตอนเป็นเด็กวัด ก็ทำให้หันหวนเข้าหาธรรมะได้แต่ว่าคนรุ่นนี้นะเด็กรุ่นนี้วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยคงยากนะที่จะได้เกิดความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าบวชก็ไม่เคยบวชเข้าวัดก็ไม่ได้เข้าวัดนะชิน อ, อยู่แต่คุ้นเคยแต่ห้างสรรพสินค้าโรงหนังนะก็เกมคอมพิวเตอร์ ถึงจุดหนึ่งเกิดความเบื่อนะนะเบื่อกับชีวิตเบื่อการมาสุขอย่างยัสมกุลบุตรนะหรือว่าประสบความทุกข์อย่างสันตติอัมมาด ก, ก็ไม่มีทางไปก็เข้าหาล่าเขหายาเสพติดได้ง่ายเหลือเกินนะกแล้วก็ตามนะนั่น น, นเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของวัยรุ่นแต่สาพวกเราเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสมาเจอธรรมะแล้วเนี่ย ก็ถือเป็นผู้ที่มีโชคดีนะเวลามีความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็ขอให้เราลึกถึงช่วงที่เราได้พบความสงบในวัดหรือจากการปฏิบัติหรือจากการได้พบธรรมะนะถ้าเกิดว่าเราลึกตรงนั้นเนี่ยนะความทุกข์มันมีประโยชน์นะความทุกข์มันจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะไดนะ้ความทุกข์ไม่มีใครชอบมันนะ ความสูญเสียความพัดพราความเจ็บป่วยแต่มันก็สามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้นี่คือข้อดีของความทุกข์และยิ่งถ้าเราเคย <c oughs> เคยพบ <c oughs> เคยสัมผัสกับความความสงบแม้จะเพียงช่วงสั้นๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าหาพร้อมที่จะให้ให้ให้ทุกเนี่ยผลักเข้าหาธรรมะได้แต่เมื่อเข้าหาธรรมะแล้วเนี่ยถึงที่สุดเราก็ต้อง กลับมาเผชิญกับทุกข์นะต้องมาเผชิญกับทุกข์เผชิญหน้ากับมันอ ย, อย่าคอยให้ทุกข์เนี่ยมันผลักหลังให้เราก็เด็นเข้าหาวัดอย่างเดียวหรือว่าก็เด็นเข้าหาธรรมะถึงจุดหนึ่งเมื่อเราปีก้าขาแข็งแล้วเราต้องกลับมาเผชิญหน้ากับมันแล้วก็เรียนรู้จากทุกข์ให้ได้พระเจ้าตรัสนะว่า ทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้คือเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจท่านใช้คำว่าปริญญาปริญญาคือรู้รอบทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้รอบเข้าใจอย่างทั่วถึงถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่กําหนดรู้หรือไม่เกิดความเข้าใจในทุก์อย่างแจ่มแจ้งนิโรธก็เกิดขึ้นไม่ได้ กา ร, รเผชิญหน้ากับทุกนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอ ย, อย่าคอยแต่ให้มันผลักเราอย่างเดียวต้องกลับมาเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าทุกนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะมันในรูปไหนเช่นความสูญเสียความแก่ความเจ็บป่วยหรือแม้กรทั่งความตายจะไม่หนีความตายจะไม่หนีความป่วยแต่ว่าจะกล้าเผชิญกับมันแลถ้าเรารู้จักเราเข้าใจมันอย่างแท้จริง ทุกนั้นจะไม่ใช่ศัตรูแต่จะกลายเป็นมิตรนะเราสามารถจะเป็นมิตรกับความแก่ความจเจ็บความป่วยเป็นมิตรกับความตายก็ไดนะ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะว่าเราพร้อมจ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ไหมไม่ใช่คิดแต่จะหนีทุกข์อย่างเดียวหรือว่าคอยจะให้ทุกข์มันผลักเราอย่างเดียวต้องเผชิญกับมัน แล้วก็เห็นเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่กองมาท่านพูดดีนะท่านบอกว่าถ้าอยากจะพ้นทุกเนี่ยต้องเข้าหาทุกถ้าอยากจะพ้นทุกต้องเข้าหาทุกอันนี้ก็คล้ายๆกับพระสิทธของคนจีนนะที่บอกว่าถ้าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทําต้องเข้าทําเสือถ้าไม่กล้าเข้าทําเสือก็ไม่เจอลูกเสือนะลูกเสือเป็นสิ่งที่มีค่ามา อสาชาูลูกเสือคือนิโรธหรือความพ้นทุกข์ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเข้าทำเสือซึ่งเตมไมด้วยอันตรายหลวงปู่กงมาท่านยังบอกว่าเนี่ยถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องเข้าหาทุกข์ถ้ากลัวทุกข์ก็จะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะกล้านนะที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ แล้วก็ไม่ใช่แต่รอให้ทุกมาหาเราอย่างเดียวบางทีเราต้องเข้าหาทุก์ด้วยเหมือนกับคนที่อเต็มใจเข้าถ้าเสือเพื่อจะได้เอาลูกเสือมาออกมาถ้าหนีทุกแต่พึ่พือ่อก็คงจะพ้นทุกได้ยากแต่ถ้ า, าว่าเรากล้าที่จะเผชิญกับความทุกกล้าที่จะเข้าหามัน ทางพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ชาบวันนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะ